วิสัชนานรกับท่านลงตานร ล, ลงักดีนานะโยตอนลลวงจิตเพื่อปิดโลกถ้าใจมันไม่ผ่านเละฝังความในความเวียดบ่ถ้าใจมัน่านเลยง่ายมากใจไม่ผ่านจ า, า ก, าจากโลกไมากก่าจ ะ, จะาได้เกาะโยโ่ผัดหาไม่ตายก็หาวเพื่น อเอาเอาไม่พูดสิไม่ลอยไม่พูดิมันจะได้มีเสียงเข้าหน่อยมันยากจ้ะขนาดเห็นว่าความยึดในสิ่งที่มันเป็นสมบูรณมันเป็นถุกเพื่อมันก็ยังยังไม่เสร็จเลยมักลับไปกลับมาไม่เหนื่อย <laughs> ฉันก็ไม่เข้าใจถ้า <c oughs> ไม่เหนื่อยกับทุกข์มากเลยง่ายเหนื่อยแต่ก็เหนื่อยทุกร์แล้วทุกขีทุกข์แล้วทุกขีไม่เข็ดไม่หลาไม่เหนื่อยเ <c oughs> พราะพระุทธเจ้าเนพพี่ยมาบอกใครว่าพะเจ้าทำไมจึงรู้มีทุกอย่างสละพัดข้าวเราไม่รู้กี่ร้อยห้าวมีของลาดมีสมบัติประทานปรชอลัราจะประหลัง นางสนมอะไรมากมายไก่กองพกระองค์พูดได่ยงไงเบื่อกับทุกเร่งยังไงเจ็บกับทุกประยากทามาเป็นทุกอย่างก็่มีทุกอย่างเลยสหรับพระเอกาติดเจ็ดวันก็จะเปการจัดแล้วนางสนมก็เยอะแยะมากมายมีทุกวดเลยเรื่อนความสะดวกเรื่ออวความสหลวกสะดวกรับพระเ้าของเราพระองค์เบื่อกับทุกเร่องยังไม่ทราบมีทุกขนานั้น เราคิดดูสิผู้หญิงไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่นางพิณฟ้าคนเดียวแต่นางพิมอมเต็มไปหมดเลยไอเราแค่คนเดียวก็โอ้รุ่นหลวงมันจะไปจะตายแล้วพะองมีความสะดวกสบายทุกอย่างเลยแต่พองค์กาทาออกจากทุกเพราะมันพุกทุกมากเลยอาทาที่ยออทําไมเราถึงไม่เบื่อถามจริงดิ อพอมันสุขก็ก็เพลินไปกับความสุขกับค่ะติพอมันทุกขก็ดิน้นดิ้นด้ น, ด น, ด น, ด น, ดนหาหาทางที่จะไปอะค่ะแม้กระทั่งบางบา ง, บางอารมณ์ทุกกับสิ่งที่หนึ่งข้าวของเครื่องใช้หรือของที่เรามีมันถึงเวลานั้นมันมันมันมีความคิดแบบนี้ขึ้นมามันถึงจะขวนขวายหาทางแต่พอมันเพลินไปกับเรื่องราวต่างๆ ลืมลืม ว, ว่าไอ้สิ่งที่เรายึอจู่ทุกค่ะเนี่ยความเพลินเราพูดเนี่ยคุณลูกจ้าชื่นว่าความเพิ น, นเนี่ยเป็นเหตุเป็นเหตุใหญ่ที่ของการเสียนได้ใจเปิดเนี่ยความเพลินเนี่ยหรือ น, นันทิเนี่ยบรรดบเนี่ย หมดเลยดับหมดเลยสถหาดับพบชาติดับอุปทานตัณหาดับอุปทานดับพบชาติดับทุกสุขเราเสีใจก็แก้ดับชาติสลามรดนดับหมดจม่วากใเกิดดับหมดสิ้นเลยวิญญาณดับสามสารดับวิญญาณดับดับหมดเลยอ่ะดับหมดเลยไ่ยอมอกบางทีเนี่ยที่เราบอกเนี่ยพอปุกใจก็คืลเวลาปุกใจก็ดิ้นดิ้นดอยางที่ว่ามัน ทำยังไงอ่ะพม่ได้ไมโทษขอความทุกข์ไม่อยากกลับมาทุกข์อีกกับมาดยาใจเกิดอีกนะแต่ละคนเชื่อเราคิดอะไรดิทำยังไงที่ไม่อยากเกิดอีกจริงๆอ่ะไมอยากเกิดให้เปนทุกข์อีกจริงๆอ่ะเป็ยังไงถ้าใจมันยังไม่ไม่จริงอ่ะนะปฏิบัติยังไงมันวนมันวนเพราะใจมันเนี่ยมันวนไปในกวานั้นที่คือความเพลินในเรื่ความทุกข์หายไปใจก็เพลินอีกแล้ บอกความทุกข์หมายปใจก็เลยเวลาทุกข์เราทุกติดทุกกะติดใจเรือแตกความเรียกความทุกข์ที่ถูกกระทบจะเป็นทุกข์นะคือเราไม่ีความทุกขในใจมันไม่มีความเพลินเลยเราก็ไม่รู้ทำไมใจเราไม่มีความเพลินเลยเรามีแต่ความทุกข์ไม่ใช่ปะกระทบให้เป็นทุกข์ไงคือหลอใจเรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ จริเราแปลกมากเลยอ่ะเพราะที่ไม่แตเวลาไม่มีอะไรกระทบเนี่ยเราอยู่เฉยเฉยอ่ะใจเราก็ทุกข์แหละใจเราก็ทุกข์แหละเรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะไม่ทุกข์เลยเราอยู่เฉยเฉยใจเราก็ทุกข์เราจึงใจเราจึงหาท่าออกจากทุกข์ไม่หยุดเลยเราหาท่าออกจากทุกข์ไม่หยุดเลยเพราะว่า เราอยู่คนเดียวใจเราก็ทุกแล้แต่งติดเราไม่ได้กระทุกับใครเราอยู่คนเดียวใจเราก็ทุกแล้วคือเราทุกตลอดเวลาเลยอ่ะตลอดเวลาเลยเราไม่จะไม่ทุกตลอดนั่นึืไม่ทุกเสมอเราหลับไปนั่นไงพอเราตื่นเรารู้สึกเป็นทุกเลยไม่รู้เป็นอะไรเออแปลกคนที่มันทุกทุกทุกทุกๆุกปัญหาท่าจะทุกเนี่ยมันทุกจริงๆเราเห็นไหมท่านเป็นทุกอย่างเงี้ยแต่เราทุกุกคนเนี่ยท่านจิตออกจากทุกได้ แต่คนทั้งหลายมันไม่เด่นมันไม่เป็นรูปแต่เราทุกจริงๆนะคือเราไม่รู้อะไรพราะเราสื้อเนี่ยเราทุ ก, กับการที่เราจะต้องออกไปทํางานเลยเราทุกทุกอันดับแรกเลยพอเรารู้ตัวปุ๊เราทุ ก, กับงานที่เราค้างอยู่เราจะต้องไปทำนี่ไม่รู้เป็นอะไรมันทุกอยู่ในใจเราเนี่ยตอนเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราจาได้ว่า พอเราลดตัวนีเราทุกปรการก็ไปเรียนหนังสือเมื่ออเมือมอวานี้เด็กมาแล้วเช้าว่าเด็กๆตัวเล็กๆเน่มีความทุกข์ความเครียดอะไรลูกเอ้ยตัวขนาดเนี้ยตัวเปี้ยงนีดัปีแล้วเนี้ยเฮยบอกเขาเ็ดัปีแหละผมว่าหนูเคียดเคนรูเป็นอะไรลอขนาดนี้เครียดอะเครียดการอะไรมัางหนูมีอะไรบ้าหนูเครียดไม่อยากไปเรียนหนังสือไม่อยากเรียนหนังสือ เนี่ยมันเกิดน้ำก็ไปชุ่มแหละลูกๆไปเราไปตื่นไปเรียนหนูโดนแม่ตีสายแล้วไม่ใครโดนตีลุกๆลูกเนี่ยต้องถือไม่อยากไปแม่ตีมันจะเด็กๆมาพอมาตื่นมาเตขึ้นทํางานพอรู้สึกกาจะต้องไปทํางานเนี่ยรู้สึกว่าเอมันเป็นทุกข์มากทุกประการที่ตื่นมาต้องตื่นมาไปทํางานมันรู้สึกว่าไอความกังวลใจเนี่ยมันอยู่ลึกในใจ พอถึงเวลาตื่นเช้ามันก็งวลใจเรื่องงานที่ยังต้องทีไม่รู้อะไรมันมันมีความกังวลใจแล้วก็แปลกจริงไอความคุกรองเหล่านี้มันติดอยู่ในจิตนะมันติดอยู่ในจิตคือพอสื่นเามันุ๊มันทุกทันทีเลยมันจะต้องไปทำอะไรมันทุกทุกทันทีเลยแปลกจริงมันจริงมี จริงๆอะสังเกตจริงๆมันไม่มีเวลาที่จะจบทไม่มีเวลาที่จะไม่ทุกข์เลยมัทุกตลอดมันทุกข์อยู่ในึ่งเนความรูสึดเอความสความจิง ม, มันมันคงทุกข์ติดมาทานโพกภาพจาแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรเมื่อก่อนเนี่ยถ้าอิรว่าร้อการเด็อยู่ด้วยหวันว่าทำเจ้าคามันความไม่สุเบตตา ไอ้ฝันก็ทาทุกครั้งเนี่ยมันจะจเลยทาทุกครั้งแล้วก็หกใจตื่ล้อตัวล้อมันก็เป็นไข้เลยฝันทำทุกครั้งกัยเรื่ยๆแล้วอะไรทำทุกครั้งเนี่ยเอียดทธิกิจกมากเลยอ่ะอันเนี้ยอันหนึ่งก็ฝันว่าก็แล้วนโยกระทั่งมาเป็นนี้แน่จนข้ากับเป็นลูกสาวแล้วฝัว่าเรียนอยู่ชั้นหนึ่งไม่ย ตกไปแล้วก็จริงอะ่ ะ, ไ, ะอ ไ, ไ, มไม่ได้เรียนท่านนี้ข้าบมาไอ้คาบมาได้ยังไงต้องกลับไปเรียนรับใหม่ทำที่เลยเราเป็นอะไรแล้วยังกลับหว่านนวดกลับไปกลับไปว่าไอ้เรียนคาบผานท่านหนึ่งไม่ได้เรียนต้องกลับใหม่แล้วอยู่เรื่อยเลยอย่างเงี้ยแปลกจริงๆริไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะในความรู้เนี่ยมันควรจะไปกังวลอะไรก็ อ, อย่าอยู่ในจิตเนี่ยเพราะมาันเรียนไอ้าบมาไงก็ต้องกลับลยหลับกลับไปใหม่ยังมาเปน็นยางสีบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย น่าแปลกมากเลยต้องส่ในจิตเราเห็นโอ้โหความทุกข์เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกแท้จริงไยมันทุกข์กับความกังวลในจิตนั่นคือความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้เป็นอะไรเลยใจภายในจิตเนี่ยมีความกังวลไม่เลิกเลยเราจึงเห็นว่าโอ้ไอ้ความทุกข์ไม่เลิกในจิตเราเนี่ยเรามีความกังวลลึกๆในใจ กคนมีหมดแต่ทุกคนไม่ได้อ่านมีทุ้งปู่ห้องหนึ่งอ่ะทัานหัวงทำในทุกแบบหลายท่านปล่อยวางหมดแหละตอนนั้นเราไปไปรักษากับอะไรเนี่ยปวดีบมันจิตใจสำนึกมันล้วงจิตใจสำนึกใจก็ว่ามีมีมีก็ไม่มีปล่อยวางหมดแล้วมันมีอะไรเรียกงเป็นปู๊กไมีอะไรมีตรงนี้ก็อยากคนหายเจอว่เกณฑ์อะไรที่เรากคนีิ บอกนี้ก <Ừ. S 1> ็ไม่ใช่บอกนี้บอกทุกนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เออบอกว่าเามีเรื่องอีกเรื่องนึงปุ๊บโดนจริงๆดนใจจริงว่าปุกกับการที่ไม่อยากเป็นเจ้าวาดแล้วเขาเขาให้เป็นเจ้าวาดแล้วพอขนาดแก่แล้วไอ้ความทุกข์นี้มันติดอยู่ในใจเลยเนี่ยมติดมันต้องมีอะไรสักอย่างเวลาแต่ละคนเนี่ยมางทีมันไม่พ้ทุกมันมีอะไรในใจแล้วเราอ่านมันไม่เจอมันติดอยู่ในใจมันจะแสบเองเขาให้ย้อนอยู่นั่นแหละ มีอะไรอีกนีอะไรอีกที่เราเนี <S <S ่ยรู like bbe bbe> ้สึกว่าม mm, ันอยากข้างมาคือทําให้เราเสียหน้ามากๆทำให้เราเสียหน้ามากๆทาให้เราเสียควากมากหรือว่าเราอยากได้มากาก็ยังเรายังไม่สมหวังไม่สิ้นนั้นมีอะไรไหมที่เราเนี่ยอยากได้มากๆเลยไม่สมหวังไม่สิ้นนั้นและทีพวกนี้ยมันจะยึดสิทิ์เราทําให้เราเป็นทุกข์ แล้วก็มีอะไรบางที่เราเสียใจมากๆ ม, มีอะไรบางที่เรารู้สึ ก, กว่าเสียหน้า ม, มากๆมีอะไรที่เราไม่ประสบกวามสำเร็มากๆอะไรพวกเนี้ยมันค้างอยู่ในจิตเลยเราไม่รู้เลยมันค้างพอเราแก้ตรงเนี้ยหมดหมดใจใจแล้วเนะี่ยมันก็เลยหลุดไปหลุดหมดเลยเจริงจังในจิตเราไม่รู้จริงๆว่ามันมันมีอะไรค้าเงเปนใจแน้จริงอะ่ะเราต้องหลุดไปจริงจริงอ่ะตอนนั้นน่ะโมโหใครมากๆที่เด็กยังไมนแห่ไฟมีไหม เงี้ยยังม mm. so so ีโมโหใครต้องมายังไม่แอรใครมีไหมเนี่ยไอเด็กกันค้างอยู่ในจิตหละพอค้างมันไปไม่ได้นะมีอะไรค้างอยู่น่ะมันก็เหมือนกับใจเราเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนอากาศธาตุเป็นความว่างเปล่าเนี่ยถ้ามีค้างปุ๊บมันก็แสดงว่าใจเนี่ยมันไม่ว่างเปล่าแล้วเพราะว่ามันมีอะไรค้างได้ใจก็ไม่ว่างเปล่าเป็นได้ตะมันก็เลยไม่ไม่มันก็เลยจริงๆแล้วบอกเราบอกว่าไม่ทุกแต่ทุกทุกกร่ทุกกับถิ่นค้างในใจถ้าไม่มีอะไรสิค้างในใจเนาะว่างไปเลยเหมือนกับ เป็นจักรวาลที่ว่างเปล่าไปเลยแล้วมันต้องเขาเ้ามาดูว่าถ้าอะไรที่ค้ัด ใ, ในใจจริงมีอะไรไหมว่าคาดในใจที่เราเนี่ยยังไม่สมปัตติฐานเราจะไม่สมหวังเราผิดหวงังอย่างแรงเราประสบกับสิ่งที่มีพอใจอยากแรงผสมกับสิ่งที่รักไม่พอใจอยากแรงเรามีคนที่เราพลาดพลาดไปยังอยู่คาดในใจเรื่องที่เราไปทุกข์มากกับพี่ ของที่รักที่ของที่รักคนที่รักที่หายไปที่ตายไปมีอะไรไม่ดีมัยังติดอยู่ในใจเรามีใครไหมดี๋ยวาของมาไปแล้วเรายัางแกล้งเถืองติดอยู่ในใจเพบอกว่า น, นี่มีคนคนก่อนน่ะบอกไม่ค้าแต่ก็พูดเอามาพูดใปนปากไม่เฉยเขาเอาเอาไม้เก่าไปแล้วก็เอาไปก็หลังไปเห็นไม้เก่าถูกเผา จับได้เขาเอาไปเผาเนี่ยแล้วเราแล้วมาถามเราจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยลกไม้ก็ไปอ่ะเอาไปเผาลำไม้ของเราไปเราไปเผาอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าไม้ที่ถูกลำไปเนี่ยไม้เก่าเนี่ยแต่ที่น้ำมัเราเนเราฝังที่มันถามเราเนี่ยมันกี่ปีมาแล้วยี่สิบกว่าปีมาแล้วยี่สิบกว่าปีมาแล้วนี่นะ บอกว่าเนี่ยมันติดอยู่ในจิตไม่เห็นเหรอไม่ได้ติดเลยจะเล่าให้ฟังให้เฉยไม่ได้ติดแลวจะมันถามอาจารย์ให้เฉยเนี่ยไม่ได้ติดเขาบ่กไม่ติดไม่ติดอะไริีสิบกวปีแล้วยางมาเล่าอ่ะเนี่ยคนไปไม่บาปกรรมไหมเดี๋ยวมาถามอาจารย์อะไม่บาปกรรมไม่ทํขาอาเนี้ยทำะไรอย่างเนี้ยเขที่ออาไปไม้เก่าจะีกี่ปีแ้วย่กว่าปีแล้วถามคนบอกว่าเที่ยมันติดอยู่ในจิตไม่ได้ติดเนี่ยไม่ได้ติดจะมาถามเฉย เนี่ยมันเลยใจมันเลยไม่ว่าป่าเหือนอากาศสภาพเมนกับอากาศเนี่ยเพราะอะไรมันมันติดอะมันมีตัวติดอยู่ติดแค่แล้วมันยังเอาไม่ออกอะไอที่เราเนี่ยมันกบเือนไม่ได้เพราะว่าเราไปฟัง่นไปดูไปดูสััไปฟังเพลงไปอยู่กับครอบครัวไปเล่นกับลูกไปอยู่กับแฟนไปเล่นแคสต์ไลน์เุ๊กคุยกับเพื่อนคนนั้นคนนี้ขับรถไปกินข้าวไาทอะไม่จ้าปิดคือมันมีเรื่องที่ให้เลี่ยนเปี่ยนอารมณ์เปียนบรรยากาศเี่ยนอารมณ์เปียบรรยากาศ แต่จริงๆเราคือไม่นตำวจจริงๆว่าในใจเราเนี่ยมัค้างในใจเราอย่มีเพราเราไม่เอาสค้างในใจเาัมนก็เลยไม่ว่างนะเพราะว่าื่อวเรามีค้างได้ในใจเราเลยไม่ว่างล้วว่างแล้วมันจะได้เขาออกหมดแล้วคามองหมดแล้วมันเลยว่างลาเนียต้วว่าอะไรที่ยาง้านในใจเราติดวังในหลวงวัง ไม่โสมปราถนาขับแกนใจมีใครทากับเราไว้มีเจ็บคำน้ำใจอยู่ผมก็จะเจ็บคำน้ำใจจะเล่าให้ฟังอย่างที่เราคืเป็นค้าค้ามีใจแล้วก็แฟนะเก่าใต่กับคนนี้ก็ไม่อยู่คอยสงฝันที่ถึงแต่แฟนเก่าค้ามีน ใ, นใจอะไรเขาบอกแล้วที่เป็นค้าเนะ่ยเปลียหน้า รู้สึกเสียหน้าใครมาทำให้เราเสียหน้าแล้วค้างอยี่ยนเจ็บแค้นอยู่ในใจอะไรสักอย่างเนี่ยที่เราเราต้องตรวจตรวจแล้วนะก็ต้องสิ่งอะไรติามที่ที่เออเจ้าว่าโอ้ที่บอกว่าเออท่านเออไม่มีอะไรแล้วปล่อยวางหมแล้วเตำรวจตำรวจตรวจมาเรื่องไม่สบายใจอยู่อย่ากอยู่ถึงขนาดจะลาภาพมาแล้วนะถูกประคับไปพี่เจ้าว่าก็เป็นเจ้าว่าแล้วแต่แล้วแต่หนุ่มมันจะถึจะแก่แล้วนาแล้วเขาจะบอกว่า รู้สึกว่าไอ้ตรนี้มันคางเ็ด่ะคุณปรคับปเจ้าว่ะคือทุกยากลำบางมานานคืออาจารย์ก็รู้อหรหันต์ไปรุ่นพี่ก็รู้อหรหันต์ไปแต่คืออ้ต้องเสียสละะเจ้าว่าต้องบริหารต้องบ ร, ริหารการกิจการว่าตัวเองก็เลยเสียสละคือบรร้อรหันต์ไหมดแล้วน่มันเลยค้างเมใจเฮทีใ น, นเรื่องมันเล็กน้อยมากเลยแต่เราปรค้างเล ย, เลยใจเดไม่ว่าง มอนเอาคานใสใจกับแขนแขนเกลืองค้างทางเนี่ยก็คนไทยเลเนี่ยที่ตหวมันไม่ใช่ตัวใหญ่เลยเล้วเรงนีเวลาเราไปหาพวกตื่นอะไรนะเาเรียกว่าล้วงจิตใส้สมลึกแ้วเขาหลังมีพี่ที่ล้วงจิตใสมลึกมันก็เลยถามหลอกแตกหอกแตกกถามอย่างเนี้ยัก็ถามว่ามีอะไรไหมมีอะไรมงได้ที่ดีดิอะไรเงี้ยมันก็ปอกคาถามให้เราเลยแหละไอ้วงเราคือปอกคาถามให้เราแหละถามมีอะไรไม่เจอ ข้างในใจมี้มีอะไรไม่รู้สึกเสียหน้ายังยังคิดถึงได้มีอะไรไม่รู้สึกว่าคอยฝันอยู่เลยเลยค่อยฝันอยู่จริงๆริงกนี่ได้เลยมีอะไรไม่พอเถดแล้วมัคิดขึ้นมาได้พอเถิดแล้วมคิดขึ้นได้อีกมีอะไรไม่ที่เรารู้สึกว่ามักติดอยู่ในใจมีอะไรไม่ที่มันรู้สึกว่าไม่ไมกจะมีฝันด่านแล้วจะไม่สมปรารถนาไม่สมหวัอมีอะไรที่เรากระสบมาประสบมาต่างดีทไม่พอใจใครไม่เป็นที่รักที่พอใจ ในทางใจมีอะไรไม่ดีูกสึกเสียใจสุดๆแล้วนทงในใจแประเดี๋ยโอ้ตัวเองก็มันเลยไม่ไม่หลอดไม่ดีไม่มีไม่มีเงี้ยอือจริงๆไม่ดีุขึ้นมาได้พราเปลอขึ้นมาได้พอดีนอนยแล้วก็ฝั่นขึ้นมาได้พอดีเนี่ยก็ได้บอกไม่ไปทำบาปรับโอ้ทาบาปกรรมกมันติดอยู่ในใจ ไม่น่าทำเลยไม่น่าทำเลยอย่างเงี้ยมันเลยมันมันเลยต้องบอกว่าอย่าไปทำบาปกรรมมันติดอยู่ในใจแล้วมันค้างค้างปุมันเลยจะไม่ว่างเปล่าก็ใช้เวลาฝึกอยูานมากล้างออกใจอยู่กระทั่งมันไม่ฝันไม่ไม่รู้สึกเื่อใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมานั่นที่จะหมดไปเสียใจใจก็เลยว่างปากคือถึงมันคิดประมาก็ไม่ทําให้คิดแก่เกิดเกิดเราจะคิดมันยังรู้สึก รู้วึกให้สบาใจเสียใจกับสิ่ที่เราทำไว้ค้างสิ่ที่เราทํำบาปทำเลยพวเหล่านี้ต้องมีถ้ามีค้างอะไรในใจเลยจะว่างเปล่าหรือขาด่สชานิเลยใจก็เป็นจิตสลละแสลึงมันต้องปีนไปในท้อฟ้าไม่จิตไม่ขัดอะไรไม่ขัดข้ออะไรอันนี้เนี่ยความผิดจิตสลละที่อในโลกความมีอะไรมาค้าง่าใจว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นกังวลมันค้างอยู่ในใจมันหนักใจมัดใจเราไม่แจ้งไม่ว่างเปล่าอันเนี้ย เป็นทุกในโลกตำรวจให้เจอโดนทั้งออกไระเจียจุดรวจอยู่หลายที่คังหนแล้วแใจก็รลคาญอย่างนี้มันมจะไปตวจไม่สิบจี้ยาทวจสี่บางวงจิตใจผมนึกม่าจะพ่อคาถามเรามีไหมยนี้มีไหมอย่างนี้มีไหมมีไหมมีไหมมีไหมเรปลุกฟรีไม่ได้หรอกเราตำรวจจริงๆได้เจอจนได้เรยอเราออกพอออกไปใหญ่แล้ว ในการที่มีเรื่องมีราวในโลกวุ่นวายไปพอใจสามีสามีเป็นมีเมียน้อยอะไรเงี้ยไมพอใจก็แข็งใจแล้วก็ตัดที่ยังมีความสุขมีความอ็แก้งใจแล้วหนีมาปฏิบัติธรรมลุกเข่าลุกเข่าปฏิบัติธรรมเลยยแล้วก็พอมาปฏิบัติธรรมก็มาทำนิ่งๆเมียาๆเดินช้าๆใจมันสงบใจมันว่างๆไม่คิดอะไรใจกสบายไม่อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านม่อยากกลับบ้านพูดจริงไม่จริงอ่ะ ตัวเนี้ยมันไม่ได้เอาไอ้ที่มี ใ, ใจออกไปมันอ้อยู่ในโลกของเขาไอ้เขาทัศน์เขาหนังเอาเพลงเอาเล่นแคสเล่นไลน์เล่นเกมคอมพิวเตอร์เล่นไอเฟซบ o ๊เอามาเป็นเครื่องสะบายใจหิกนี้เอาจับก็ไม่สบายใจที่เพลงไม่สบายใ จ, อ ย, ใจอยู่จะไม่ได้ออกประนใจแล้วพอถึงเวลาที่เาปฏิบัติธรรมูเขาขาวโเิด จ, จานันีพอใจจไปสาที่อยากจะมาเพราะว่ามันไม่ไมันไใจ แล้วก็เอาใอารมณ์จุจับอารมณ์ทบายนะแท้ที่เ อ, ทเอทาาแทนที่ก่อไม่สบายใจแต่กลับไปบ้านก็อนเอางานบ้านเอาการ ท, ทํากิตกับไม่ทัดจิตกันนี่โดยเฉพาปิ้งไปออกไปจะปิ้งถ่านดิจินเอาไปเอาให้มัามาทดแทนสิ่งที่ไม่สบายใจมาอยู่วัดก็เลยไม่ไดไม่ได้มาเพื่อล้างสิ่งี่เอาพิจารณาตารวจสิที่ทมัขขนติดทางใจออกไป ก็ไปบ้านเพอไม่เอาเจินใจคล้ ว, ว่าหาอะไรมาโกบเงินเลื่อนไปอยู่บ้านก็กับไปหาไอ้โทรทัศน์ความเท่จะปิ้ตงตื่นัางเดิละครชวนเพื่อนคุยมันจะ่สั่งไลน์สั่งเฟซบุ๊กมันก็เอาตัวนน้มาตัวหลอกหลอกผิดอมมาปฏิบัติธรรมก็เอาอ้ตัวใจที่ว่างเป้่าว่างโลโภ บ, บ, บายมาหลอกผิดในที่ว่าตํารวจจริงว่าในใจเรามีอะไรข้างอยู่เอาสิที่ข้างออกจาก ใ, ใจหมดสิ พอติดต <group> ิดข้าวแจงหมดที่แล้วมันมีเยอะเลยใจมันมีเยอะทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยว่างเลยมันแบเอางการตายแล้วมันก็มีที่ไปมันมีที่ไปไหนมันไม่ได้กาะเกี่ยวอะไรไม่มีอะไรค้างอยู่มันมีที่ไปเพราะมันก็ไม่มีอะไรหนักด้วยเพราะว่ามันว่างไปแล้วมันเลยไม่มีอะไรหนักใจมันก็เลยไม่ต้องลูกลูกต้มถวกไปอาบายแลตายแล้วมันก็มีที่เกาะเกี่ยวมันก็มีที่ไปเน้นนั้นก็เลยเป็นอย่างนี้นะมันเลยกลับดื้อดุกว่ามากพพุทธเจ้าจะเอานไปดีพะุทธเจ้ากลับไปก ใจหมดความเกาะเกี่ยวไม่ไไมีอะไรท่ามิจฉาแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของพระเจ้าท่านทั้เหลายอะระดับไฟเหมือนดับเซลไฟที่สิ้นเชื่อหรือเหมือนดับไฟเชื่อที่ดับแล้วก็เ ป, ปลาพรุ่มแล้วก็ดัดบหายไปในกองว่างัละแหนก็มีชีวิตอยู่ก็เป็นเป็นสุขอย่างยิ่งสุกเพราะจะบอกว่าเพราะมีอะไรมาล่อให้เป็นสุขเจ็บสุขสุขเพราะมันได้่มีอะไรเกาะเกี่ยวให้เป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่สุขอย่มยิ่ง ต้อสำรวจมันเป็นใตนเอแต่ละคนอะเดี๋ยวมากรกเือนแล้วน้อกรกเรือนกรกเือนแล้วที่เจ็บแตะอุยดตรงสฏิปักษ์น้องขาว้องขาวมันอยู่ในวัดกว่แตะข้าวต้มตาลรวมเศษเศษที่เจ็บซับอะไรงเยคือมันดดนมัน่ากรไปเฉยกรกไฟร้เสร็จละจะไปแตะข้าอสามีไปมีเมียนน้องไ่กลับมาหาอยู่แล้วมันจะกลับมาไม่เหนียวร้องผมร้องให้ อาจารย์โดนสามีกระแทกแตกต่ oh <my> ว่าร้องโหมร้องไห้อเราก็ไม่้วาแตกไม่ได้เลยเพแตะเพกราะคนอีกก็อาจารย์สามีส่ใจสามีหมดเลยผู้หญิงเขามาเยอ ะ, ะอยู่วัดาเออเฮ้ยไม่รู้เป็นอะไรสามีหมดเลยอาจารย์สามีเป็นยังงูสามีเป็นยงงั้นคนสามีเป็นยังงั้นสามีงง น, มงงน่งไม่ใอยาใไม่ได้อย่างใจร้งจงจจองแท้ใจร้องไห้เป็นน้ำตาเปลาเเลยอเออ <c oughs> ผู้หญิงมาอยู่วัดมากเลยปฏิบัติแล้วก็อย่างเงี้ยเป็นอย่งงไปหมดเลย เรามากบเกลือนอยู่บ้านกรกบเกลือนเพราะมอยู่บ้านเกเกลือนผู้ชายเนี่ยองออกนะมันเลยไม่มาอยู่บ้าเล่นไพ่ดูน้ำฟังเพลงดื่มเหล้าไปเที่ยวมีแฟนใหม่มีทางออกผู้หญิงไม่มีทางออกก็เลยมาทำแกนใจร้องโบร้องไห้แล้วก็มแค่มากเกลือนเยอะๆปฏิบัติได้ปนปฏิบัติเพื่อความเพื่อสุข ปัจจที่กองเกยวาก็สอบอะไรบนเตียนเตียบนเตียงอย่างนี้เนสอถามให้ตายนเียเพราะว่าใจมันไม่ทิดงกองเกี่ยวมันไม่ได้ปัจจัยความทุกทุกจริงๆจะมีกเพิ่มนปัจจัยปัจจัยปัจามยปัจจัยปัจจัใปัจจัยปัจอัยปัจจัจจัยปัจจัยปจจัยปจจัยปัจจัยปัจจัยปัจจัยปัจจัปัจจัยปจจจจั่ปยปัจจันปัจจัยปัจจัยปัจจัยปัจจจจัยปัจจปัจจัยปัยปจจัยปัจจัย ปาความจบุพชาติในปัจจุบันรือไม่มีออยู่ในใจเลยแกก็เลยว่างปาเบสบายมีตะกี้คนแเนี้ยที่ปัญหาอยา้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมาวาเราเห็นมันเดินไปมาเดินยิ้มแฉ่งไปมายิ้มไปยิ้มมาเดินจมูกยิ้มไปยิ้มมาเดินแฉ่งที่ไหนเนี้ยจะไปแตกเข้ะคนไปถากคนรองไห้เออทำไมยิ้มแต่ใบหน้าทำไมใจไม่ยิ้มเลยเนี้ยร้องไห้เลย เราเเกล็ดไม่ถาเกล็ดเกล็ดเก็ที่เกจะนั่งร้องไห้ฟังคนร้องไห้ยืน่อะไรก็ไม่เอายึดงเดียวว่าจะพูดอะไรก็ยึดจังเดียวไม่รู้จะทำยังไงว่าจะพูดซิกแซกพูดโนดพูดนี่จะยดจงเดียวไม่รู้จะทายังไงจะกระยอบแย่เกเอุทิมานลง ตอสสำรวจตัวเองเห็นที่หูกตาบอกนะคะแต่ว่าเข้าใจแล้วว่ามันขาดความต่อเนื่องคือพอพอเลิกจากการทำงานแล้วมันอยู่คนเดียวมันไม่กระทบกับใครเลยค่ะมันก็สบายกับเพิสไปกันทุกอย่างพอพอจะทำสิกนั้นสิ่งนี้มันก็ยึดยึดขึ้นมาบางอย่างที่มันยังรู้สึกว่ามันเป็นภาระหน้าที่มันเป็นความกังวลค่ะมันก็เลย มีความติด อ, อันครับใใจคือมันรู้สึกว่าไอ้ไอ้ภาวะอย่างเงี้ยค่ะมันมันยึดยึดจริงๆแันแล้วใช่ที่พูดนี้น้ำต า, า จ, จะร่วงเลยมยึดจริงๆอันแล้วอะ เธอพูดอะไรก็ต้องเอาไมยืูดให้ผู้หญิงแต่ละคนละแหละเราพูดความในใจเลยอ่ะเราเอาไมาพูดให้ให้ใครเลยพูดความในใจเลยสิแต่ละคนอ่ะอืออืออยากะบอกเล่าอะไรในใจ ที่เพูดเจ้าเนี่ยไม่ปฏิเสธใช่เออใชหมนต้องถามนํากันน้คุณหมอเลยนะย้อยแต่เราก็อดทนมากเลยนะทนอมากเลยเราที่เราก็รู e ้อย่างเงี้ยตรที่เราก็รู้อย่างเงี้ยเราอดทนอนมากเลย เจอยังไงแล้วก็สอนแล้วที่เราก็รู้ไม่ใช่เราสอนโดยไม่รู้เองการสิที่ทุกคนต้องทำคือเอ่อเ <c oughs> ข้าใจตัเวเองว่าสิ่งที่เราเรยึดที่เรากังวลลึกภายในภายในความรู้สึกของเราเว่ามันมีอะไรที่มันเป็นภาร ะ, ะที่ต้องยึดสิคืออะไรบ้างจะไม่สัดตาแต่แน่ก็ต้องคอยตอรวจใจตัวเองก็แล้ว มีอะไรที่ในใจขั้นไนใจเอาไมออกไปสนะัจกจัจับ่อไปหมดทีในหน้ใจมันจะเ็ควาคว า, า, า, า, า, ามคืาดจับความรู้สึกว่างๆอไว้เอาเป เ, ป เ, ปนน ล, เลี่ยนในเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกหาที่อยู่ใหม่ไม่ใช่งี้ยสมว่าชอบจับความว่างเอาไว้มหลอกตัวเองคือกลับู่บ้านกลับไปอยู่ก็พื่ออะก็กลับไปอยู่ในนั่นก็เอาอย่าหอื่นมาจับมาหลอกตัวเองอ่ะจับเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มีอว่างจับว่างหลอกตัวเองคือไปไหาทื่อยู่อกเอันนี้ไม่ใช่สมว่า ความว่างความรู้สึกว่างที่เราไปจับได้หลอกตัวเองเนี่ยเอามาแทนความทุกข์ย่างอื่นะเพื่อม่มีอะไรเลยมี่ใจมันไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรว่างตลอดเวลาว่างตลอดเวลาจะจริงเราพอสำรวจมันิงไม่ได้มันไม่ได้ว่างหรอกใจมันเกาะเกี่ยวนี่เกอกเกี่ยวนี่มันไม่ได้ยังไม่สํารวจจริงๆเข้าไปถึงคิตใจต้สมุดตัวเองว่ามีอะไรที่เสงค้าในใจขับแทนใจยังไม่ได้อออกอ่ะมันยังไม่สํารวจ เอแล้วว่าจริงนะมันไม่ได้จากควารู้สึกว่ามันว่าจะสิ่งที่มันค้างในใจหมดละเลือกกันเลยความาริงก็ต้องตำรวจดูพอใจมันสงบแล้วเนี่ยพอเราลําตำรวจอยูุที่ว่าอะไรอเราใจมันสงบแล้วจริงทำไมจึงไม่สงบสงบแล้วจะมีรู้สึกแบบอะไรที่ตอนสงบมันมองไม่เห็นนะใจมันสงบสงบไปดีไม่สบายสบายอยู่ดีเพราออยู่คนเดียวเนี่ย มันกลับเป็นทุ่มกับเรื่องนั้นได้เราเริ่ม เ, เกิดข้เจงออกไล้แต่ถ้าใจคนไม่เคยเจอควาสมสงบเนี่ยไม่มีทางที่จะสำรวจได้มันต้องมีควาสมสงบใจมีความสงบป่ามพอต้องขวดแล้วแล้วมันอยู่คนเดียวเหรอไอ้เรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจมันโผล่ขึ้นมาได้โอ้นี่เลยเหรอที่มันอยู่ในค้างในใจใจมันสงบบ้าฝ่าย ด, ด, ดีมันเกิดมีความกังวลขึ้นมาได้เกี่ยวกับเรื่องนั้น มีความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นขึ้นมาได้อันเนี้ต้องกาจัดออกเลยต้องกำจัดออกอย่างรวดเร็วด้วยวิธีใดๆก็ได้ต้องกำจัดออกอกำจัดออกอย่างรวดเร็ ว, วให้ออกไปจากใจได้ยั้งเข้าอยู่ในใจได้ให้มาพังในใจได้ใจที่จะ ว, ว่างเปล่าได้ก็ต้องตำรวจอย่างเนี้พอใจมาสงบแล้วท่านกล่าวว่าใจมาสงบแล้ะลมเย็นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ําเนี่ยน้ําในสระเนี่ย ที่มันใสนิ่งสะอาดมันก็เลยมองเห็นว่ามีอะไรอยู่ก้นน้ำได้มันเลยสามารถเอาออกได้แต่ถใจไม่สงบไม่ส่มเย็นจิตใจมีแต่ความร้อนรุ่มเล่าร้อนมีแต่กิเลสมีแต่อารมณ์มันไม่รู้หรอกใครจะพูดจากใครมันก็มันมองไม่เห็นว่าสิ่งนั้นมาค้างอยู่ในใจมันขับแค่ในใจพอทําให้เกิดความทุกข์ความกังวลความเครียดในใจมันมองไม่เห็น ดอ้คนเขาถึงบอกว่าสมาธิสติปัญญาเนี่ยรือศีนสมาธิปัญญาศีนก็หมายถึงว่าพอใจเราเนี่ยเวลาไม่ทาไม่ทำผิดสินที่ทําแล้วเนี่ยใจเราก็มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจยมาเอามาไม่สบายใจอใจมันก็เลยเป็นสงบแใจพอใจมันสงบ ม, มันก็เลยมองเห็นสิที่มันอะไรบ้างที่มันมาค้างในใจเราอะ่ะ เพราะว่าน้ำมันใสแล้เนี่ยสงบก็เกิยกับน้ํามันนี่มันมันใสสะอาดมันสงบก็เลยมองเห็นสิ่งทีอยู่ในน้ําได้ที่ในใจเราได้ที่เอามาค้างอะไรในใจที่ทำให้จิตใจเราเนี่ยยังเป็นทุกข์ยังเป็นกังวลอยู่เรายังคิดถึงสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆที่มันติดอยู่ในใจเราก็เลยเอาออกออกไปขัดออกใส่ใจก็เลยว่างเปล่เนี่ยที่หลวงปู่เที้ท่านว่าสีเป็นเหตุสมาธิเป็นผล สีเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุวิมุติเป็นผลนั้นเวลาใจเนี่ยมันไม่ไม่ได้รับสิ่งผิดธรอะไรแล้วอย่างพี่ที่เราพูดไปตั้งแต่แรกแ้งก็เลยสงบร่มเย็นไม่ไม่เอะคาวุนเกี่ยวเรื่องอะไรแฉงก็เลยสงบก็เป็นสมาธิพอใจเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันก็เลยมองเห็นว่าในใจของเราเนี่ย มาสงบเหมือนน้ำใสสะอาดรบมเย็นแล้วมันก็เลยมีอะไรอยู่ในใจเรามีอะไรบ้างที่ใจเราเนี่ยยังรู้สึกกังวลยังรู้สึกว่ามันติดค้างอยู่มีอะไรไปค้างอยู่เลยแล้วก็จัดองให้หมดแนะมีอะไรบ้างที่เราจะมาค้างในใจสิ่งทีมาค้างในใจที่พรเจ้าตัดได้แล้วคือประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจที่พวกทัดล้วนกับจิตใจผลิตค้างในใจเนี่ยมันก็เอามาจากพระพุทธเจ้าได้แนะ ทุกทุกประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็มีอะไรบ้างตั้งแต่เด็กเขาเขาหลววดนะเขพวกล้วนจิตใจสนตัวเป็นจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็จะล้วงนะว่าก็จะพอดคาถามว่ามีไหมตั้งแต่เด็กมาเนี่ยอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างที่เราเนี่ยประสบกับสิ่งที่เราไม่เป็นที่รักที่พอใจมีใครมาทําให้เราเสียหน้ามีทําให้ใครเสียหาย มิชายมาลักเอาของเราไปยังแค้อยู่ในใจมิชายมาทําให้เราเก็บช้ำน้ําใจยังแค้นอยู่ในใจอันเนี้ยมันก็จะไล่ไปเี้ยแตเ่เราต้องเราต้องยอมรับจริงๆว่ามันมีหรือไม่มีไม่เท่าว่ามันไม่มีแต่จะมาเล่าแห้่าจาย์ฟังอย่างวาถามอาจารย์ว่าอย่างเนี้ยเอาไม้กระดานเก่าปปเป็น่กี่สิบปีแล้วไปเขาเนี่ยมันเป็นบาปไมหมอาจารย์มันเป็นบาปไหมเราไปยัะพูดไปหรือไเราจริงจริงแล้วเนี่ยแฉ เราบอกมันต <mile> ั้งยี่สิบปีแล้วมันค้างในใจมัค้างแย่ออกไปนับมันยี่สิบปีมันแล้วแล้วเถอะมันเขาเผาไปตัยี่สิบปีแล้วไปเอามาคิดไม่ใช่แต่มันเล่าให้อาจารย์ฟังไม่มีครั้งในใจเลยแคเถียงอยู่อย่างเงี้ยคือมันต้องยอมรับว่ามันค้างในใจจริงๆก็เรายังมาพูดได้มาเล่าได้เก็บแค้นในใจอย่างเงี้ยมันแสดงว่ามันยังมีในใจที่มออกไปออกไปอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างเงี้ยคือเขารับไปแล้วเราก็จะเก็บแข้นใจหรือใครทําอะไรกับเราไว้อะไรเงี้ย เราจะแกแกนเพือข้างข้าวไปเนี่ยเราก็ตำรวจแล้วก็ตำรวแล้วก็ไม่หยีลวเราให้อะไรหมดละให้อุติกรรมหมดให้อะไรหมดให้อุติกรรมหมดให้ไรหางทีต้องใช้เวลานานท่นเนี่ยต้องให้อติกรรมให้อุติกรรมให้อติกรรมเราก็ยังทำกับคนอื่นเขาได้มากเราอยากขออุติกรรมคนอื่นเขาเลยขอทุกวันเนี่ยอย่าจองเวลเราเลยเราขออุติกศุกร์ส่วนให้อย่าจองเวลเราเลยเราขออุติกศุกส่วนให้เราใงกลับกันเราก็ต้องให้องไรเขา เราจะขออุติกรรมก็ทุกวันทุกวันทุกวันเออใกับเราให้อุติกรรมให้อุติกรรมให้อกเนียเราขออุติกรรมทุกวัน่ะอย่าจวเวเราเลยขอทีุ่กให้อย่าจวเวเราเลยขอทีุ่ก็ะใครทกับเราเราก็เออก็ให้อภัยให้อภัยให้อภัยไม่ขอจวเวจงกรรมไม่ขอ้อภัยไม่ขอจเวจงกรรมใครที่ทกับเราทั้งหมดไม่อภัยไม่ขอจงรก็ใช้เวลานานก็จะหมดจจริงๆเื่อีราเออานีก็ไวิธีแกนะ วิธีแก้สิ่งดีอันเนี้ยสิ่งที่ประสบกับนนกใเ น, บนใใ เ, เป็นสิ่งที่ในเป็นที่รักที่หพอใจที่ขับแคนใจเจ็บใจตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องตำรวจอันนี้ต้องตำรวจจะมาปล่อยทิ้คงๆกว้างๆไม่เฉยไม่ไรต้องตารวจดูในแรงจริงแต่ตำรวจริงๆในวิธีเหล่านี้ใครทำใครให้เจ็บับน้ําใจถึงข้อมองใจยัเอากลับมาฝันกลับมาคิดกลับมาพูดถึงเนี่ย20ปีแล้วเนี่ยเขาลักไม้เก่าไว้ไป็เขาเนี่ยโอ้วหวานเลยนี่อยังมาพูดในฟังเลยเนี่ย ยี่ปกปีแล้วเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ครับจริได้างเนี้ผมไม่ได้เราว่าเรอยงอย่าเงี้ยวจะมาเล่าให้อาจารย์ฟังก็ถามเขาจเนี่ยทอย่างเงี้ยเป็นบาปเนี่ยเอาไม้ก็ไเผาเนี่ยแล้วก็มันตปดอยู่ในใจมันติดในใจก็ยังเสียความจริงแล้วก็ประสบเนี่ยคืออันนี้ประสบอีกมั่นเป็นที่รักวดใจแล้วก็มันก็เป็นไปตามคำวจารย์เราดูเราสรุปที่ที่ที่ที่พวกล้วนิดใต้สำนึกว่ามีอะไรคาในใจ แล้วคำพเจ้ามาเนียแหะแล้วก็ไปไปเกียเป็นเอร์เป็นเสรจเป็นคคแต่ก็คำูเจ้าเน่หละแตมประสนการณ์ที่ไม่เป็นทีลที่พอใจเจ็บแขนเจ็บแขนเจ็บํานาใจแขนเกือคขาเนี่ยไอ้ตัวนี้มีอะไรมเราก็ออกไปหมดคำดเจ้าอนอีกทีก็นีก็คือคูดเจ้าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยทีู่เจ้าตัดเราเสเหย่เป็นทุกเนี่ยไอ้ทีปกรณ์ที่ไม่เปร็นทีลที่พอใจเราเราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันวกนักจีวิยาเนี่ยค หนักดวงจิตใต่สมมติเก็จะถามแล้วตกงแต่เด็กเลยเราใส่เราจำความได้เลยไม่ใช่ว่าเอาไปผู้ใหญ่ต้องใส่จำความได้เลยเราเรามีไหมอะไรทีถูกการแจ้งถูกแย่งของตั้งแต่สมัยเด็กไปอยากได้แล้วไม่ได้ถูกมาแยกไปเอาวิตินได้นะแต่จริงเนี่ยเขาก็จะํารวจจนกระทั่ไม่มีที่ไมค่ค้างและก็หมดไปแล้วดานหนึ่งอีกการคือไม่สมหังไม่สมปรารถนาแหละคือประสบกับสิ่ไม่เป็นที่รักที่พอใจทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจแค้นเกลียดครั่งคา สูกแย่งของรักของถูกขโมยสีถูกขโมยซีเนี่ยถูกขโมยสีนเนี่ยทำความดีถูกแย่งเป็นเสนอเจ้านายเอาไปดีความดีสั่งเลยไอ้เด็กคนเนี้ยอะไรก็ตามเนี่ยที่มันจ็บแก้นแก้นเกลือนข้าวกราดในใจพวก็ตำรวจดยอครับออกไปหมดตีก่อนนี้ก็คือไม่สมบาไม่สบปรารถนามีอะไรบ้างที่เราไม่สมปราัถนาเราเลยทากับแค้นใจมาจนกระทั่งกระแสถูกจิตกรัมมาการเลยแล้วก็ยังตกับนมัน ไม่สมหังไม่สมปรารถนาเราเราหวังอะไรไว้ปรารถนาไว้มันไม่ได้ไม่ได้สมหังไมลสปรารถนาบางทีไม่น่าเชื่อนะตำรวจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากกินได้ดีอยากกินได้ดีมากเลยฉบับนี้ไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยโอ้ก็เลติดอยู่ในใจนะแต่จริงๆอ่ะอยากกินมากเลยอ่ะจะไม่กินสักทีอย่างเงี้ยมันติดอยู่ในใจ บาคนอยากจะไปที่นนอยากจะไปที่นี่นี้ยังไม่ได้ไปสักทีมันติดอยู่ในใจก็มีนะแต่จริงๆไม่น่าเชื่อไอ้ความไม่สมหวังไม่สมหวังนะถ้าเราต้องเรียนไม่เรียดจริงๆนะแต่ไม่สงบจริงๆอ่ะไม่ต้องเรียนไม่เรียนจริงอ่ะโอ้โหมันติดอยู่ในใจได้พอต้องเรวยนไปต้งแต่ต้งแต่เร็งๆอะไรยังมีข้างไหมอยากกินไม่ได้กินเนี่ยอยากเล่นไม่ได้เล่นอยากอยากได้ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่สมหวังไม่สปหนนาวหรือว่าอย่างที่ว่าเนี่ยโอ้โหก็ไดเขาเป็น บอกว่าต้องหมดไปเจอว่าไม่ใชอะไรอีกแล้วสมมติี้ก็ไม่มีผ่อยวางหมดแล้วดือใจเหลืออยู่อย่างเดียวคือการทุกอย่าอยู่คือติดมันติดในจิตจนถึงสลาภาพแล้วสลามากแล้วยังติดอยู่เนี่ยคือลุมาเข้าไปเป็นเจ้าวาดก็เป็นเจ้าวาัดแต่แนลุงจนกระทั่งจะบรรลุภาพแล้วเนี่ยก็จะติดอยู่ในจิตได้เพราะว่าอาจารย์ก็รู้ว่าหานไปแล้วรุงพี่ก็รู้ว่าหลานไปแล้วอาจารย์กับลุงพี่กูจะให้ให้ท่านเป็นเจ้าวาดเพื่อแลรับผิดชอบ ว่าอาจารย์ก็เป็นเป็พี่ก็มายอมเป็นตัวเีงเป็นน้องคนเล็กก็เลยต้องต้องยอมรับเป็นเจ้าวัดแล้วก็โอ้คนอื่นก็มาลุ้อรานด้วยก็มงยังไม่มาลุกอ่ะแล้เนี่ยต้องรับผิดชอบเสียสละเป็นเจ้าวัาดูแลดูแลวัดก็เลยช่วงเนี้ยค้างในใจท่านมัก็เลยติดเนี่ยเขาออกหมดก็หมดเลยว่างไปเลยเนี่ยพี่ก็หาไม่เจอจนวงตรวจไปมีอะไรไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่งี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ มีอะไรใครทําเจ็บดจำตั้งใจไม่มีไม่สมหวังไม่สมปรารนามีไม่อะไรไม่ไม่มีไม่มีอะไรแค่สำรวจไปก็เจอจนได้เนี่ยเราก็ต้องสำรวจกันนะว่าอะไรที่เราเนี่ยมันติดอยู่ในใจเราที่เราไม่สมหังไม่สงปารนาไม่ได้อยากกินไม่ได้กินนาทีไม่อยากจะกินได้ยังไม่ได้กินอยบางนี้เขาว่ามันอร่อยที่สุดในโลกก็ไม่ได้กินเลยติดอยู่ในใจได้ก็มีนะเนียอยากได้ไม่ได้ยังไม่สงหังไม่สมปรารนา มีอะไรไม่ค้างผ่านในใจติดมันติดค้างอยู่ก็มีเหมือนกันเราก็รอตรวจ ด, ดูมีอะไรเนี่ิดอยติไม่เคยเหนื่อยประสบกวาไม่เป็นที่รักที่พอใจไม่สมหวังไม่สมปรารถนาขับแค้นใจแล้วก็อยังใจเหยียใจเต้าใจมีอะไรไหมเนี่ยที่มันติ ด, ดอยู่ในใจเหล่านี้ที่ทาให้ติดอยู่ในใจเอาไปไหนเม่เเได้ขับแลยไม่ได้คุยเลยฝากเราไป เ น, นี่ยมีอะไรบ้างที่มันทําให้มราติดอยู่ในใจต้องไหนแค่ขับแขงใจแกงเกรืองคลั่งพน้อยเนื้อสับใจเสียใจต้องน้ําตาไหลออกจากตามีอะไรไหมอ่ะเออตำรวจดูเพราะมีไอ้พวไอ้นี่ยมันทําให้เราเนี่ยหดใจห่อเดียวเดียวแห้งเศร้าหมองทุกตกเศร้าเสียใจขับแขงใจน้ําตาไหลออกตามีอะไรมไหมที่มันทำให้มาเมื่อกี้มาเลิกถึงมาแล้วรือยู่ในปัตจุบ <ARS. S 1> ันก nice right. ็ยัง hmm. ต <prises that. 71 S 2> ้องไปทุกข์อีกต่อไป แลิกิดแล้วก็ไป็นทุกข์อยู่บ่ๆอย่างนี้ก็ต้องออกแต่ใจซะแล้วก็มีอะไรอ่ะพุกมีอะไรบ้างกังวลเห็นกังวลก็มีนี่อันนี้ก็เของที่เจ้าั้งนั้นแกังวนต่อความแก่ความเจ็บควงมตายกลัวตายไหมกลัวตายไหมกลัวตายกลัวตายนีมันมันหลอกตัวเองก่นจะเลยนใจกลัวตายกลัวตายใช่ไหมหมอเพิ่นนี่กล mm. like mm. ัวตายมีทุกข์วดหัว เนี่ยกาะเกี่ยวโพพันท์อะไรไม่ที่เราเกาะเกี่ยวโพพันทตั้งรับตั้งจำเนี่ยขอาเกี่ยวไว้เกาะเกี่ยวแล้วมาัวรตายด้วยหมเกาเกี่ยวบ้านสามีเกาะเกี่ยวอะอย่างเกาเกี่ยวโพพันเกาเกี่ยวลูกเกาะเกี่ยวตำแหน่งรับยศสมบัติรัตานเกาะเกี่ยวบ้านแล้วพื่เกียรติดีอยากกลับบ้านก็อยู่สะพานคิดถึงบ้านมาเป็นแอบมาอยู่สะพานคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านแต่จริงๆนะบ้านก็มีอะไรแต่คิดถึงบ้านได้นะ พางคนก็เช่าพักม้อยู่คนเดียวนะแตมาอยูปฏิบัติธรรมนะก็เห็นว่าเจียดูหลายคนจนตอนวันมาเนี่ยโอ้โหเจอหน้ากันเนี่ยมันเหมือนกับ่ามาอะไรนั้นมาทังสันเลยโอ้โหมีความสุขก็ดีกันนะพอวันจะกลับอยู่ได้หลายวันชักเหี่ยวใจห่อเดียวไปพอถึงวันใกล้จะกลับลึกเต้นเตอะไรที่กลางเว้นเนี่ยหายไปเส้นตตเท่าไหร่ก็ไปลรดหายไปหมดแล้วยังไทสว่างเลยคิดถึงบ้า คิดถึงบ้านบาก็คิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านบางคนบอกว่าคิดถึงบ้านแต่บ้านอยู่คนเดียวแท้ไมีอะไรเลยแต่คิดถึงบ้านจะกลับบ้านเล้วยกลับบ้านเานม า, ม า, มาเป็นรแรงกันดีนะนีดาวไมอยู่นานๆไเริ่มตื่นแล้วก็พักเนี่ยพอถึงวันเออมันจะกลับมาลุกมาดูท้ายเนี่นยไ้จันอยู่เช้าหายพวกดแล้วเต็เตอร์หายหมดแล้วเก็บปพ้กอบออกออกมาลบไปไหนหมดแล้วเนี่ยคิดถึงบ้านกลับบ้านกต้งก้กเก็บเต็นอรลาอะไรที่ไเนื มันต yeah. uh ้องสารวจตรงเนี้ยจึงรู้ว่ามันติดอยู่จริงจิมันติดอยู่ในจิตเราถ้าเราไม่สำรวจละเอียดอ่อนเนี่ยมันค้างมันค้างเราเนี่ยสารวจละเอียดมากเลยสารวจเราเรามีที่ไปไหมเรามีที่ไหนที่เราเหมือกับผต้ที่มาปฏิบัติธรรมคิดถึงบ้านเนี่ยจะไปคิดถึบ้านเนี่ยจะกลับคิดครอบครัวคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงทุกสิ่งที่จะกลับไปเรามาสำรวจแล้วเราอยากจะกลับมีพาก ตัวใหม่ถามเราไปถามเราว่าลุงตาเคยคิดอะไรกลับกันกลัไปหาครอบครัวคิดถึกในงานการที่สามสิบเราออกมาไม่เอ้ยเราไม่เคยคิดถึงเลยเราบอกว่าสมบัติพัสดุสารเราให้ก็ไปหมดแล้วตาแหน่งลากรับเราก็คืนสารไมหมดแล้วก็ให้ไปหมดก็ไหมดแล้วสมบัติพัสดสารบ้านช่องไหนเราก็ให้ตัวอืก็ไปหมดแนะเรากลับไปก็ เราไม่มีอะไรแล้มีแต่ตัวมีฝาแก่ๆเป็นคนแก่ๆใครก็ไม่อยากเลี้ยงดูเราหรอกเราไม่มีสมบัติเอกสารอะไรไม่มีตำแหน่งลาบเยอะอะไรเราก็เป็นภาระแก่คนอื่นเราจะไม่คิดจะกลับไปในใจของเรามันเคยยึดยึดไปว่ากลับไปก็เป็นภาระแก่คนอื่นต่อฟไปเราแก่แล้วเราไม่มีสมบัติเอกสารไม่มีบ้านชัอวไม่มีไม่มีลาบเยอะไม่มีรายได้อะไรแล้วเรากลับไปก็เป็นเป็นคนแก่ๆที่ไม่มีความหมายก็เลยเราก็ไม่เคยคิดที่จะกลับไป แล้วมีที่จะไปไหมเราปฏิบัติธามแล้วคิดถึงคิดถึงวัดคิดถึงบ้านคิดถึงที่จะไปก็มไม่มีเพราะว่าวัดก็งเช่ของเราเราไม่มีวัดที่ของตัวเองคิดถึงใครไหมเราก็ไม่มีใครอยู่ในหัวใจลูกติษย์เราก็ถ่อต่อไปหลายที่หลายทางแล้วก็ละเลงตออ่อไปก็มไม่มีเราวมาดูแล้วที่ไปก็ไม่มี มันจะพอดูว่าปฏิบัติธรรมมันโดนสอนอยากกลับอยากกลับสายกลับไปนี่กลับไปม่อยากกลับบ้าอยากกลับบ้านนี่หลายคนอยากกลับบ้าอยากกลับไปหาครอบครัวกลับไปหาลูกสาวเมียสามีภรรยาหาโน่นหาหนี่อยากกลับแล้วอยากกลับไปทํางานคิดถึงคิดทํางานอะไรเงี้ยเออเราต้องตรวจได้ดีนะคือเออแต่เราไม่มีตำรวจล้วเราหาไม่เจอเลยว่าเราจะจะกลับไปไหนจะกลับไปหาครอบครัวกันอะไรก็ต้องไม่ ไม่คิดจะกลับไปไม่มีอะไรแต่ไปไหนอ่ะจะกี้ต่อนี่จะไปไหนไปตามที่สานที่บนแล้วออกไม่ห่วงเหรอเวลาจะจะตายจะเป็นจะตายจะกระพ้าโอยเราไปตายตรงไหนก็ตรงนั้นแน่ไม่หวงตรงผ้าเราจะตายเหรอเวลาจะตายหรออาไม่ไม่มีที่จะต้องไม่เหตุเหตุไปที่ตายเหรอโอยไปต้องอเราไปสอนตรงไหนถ้าเราตายตรงนั้นเขาเขาเขาไม่อยากเราไว้หรอกมันเน่าเดี๋ยวว่เผาเาอีกเออก็เลยไม่มี เพราะว่าเราตายแล้วเขาก็เป็นเน่าใหญ่ไม่มีขยับเก็บไปแล้วแต่เขาเผาให้เราเองเออเราก็เลยสบายเนี่ยต้องสํารวจแบบเนี่ยมีที่ไปไหมมีที่ดูดไหมมีที่ดูดกลับไปไหมถ้ามีที่ดูดกลับไปมันหนังสติกอมาลากใจเรากลับไปได้อันนั้นเนี่ยไม่รอดแน่ไม่รอดไม่รอดจากใจเป็นทุกไม่เรียนไหวสายเกิดแน่นอนไปเกิดกับเขาเนี่ยนะที่เกิดเขาเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นคนยากแต่สหัสุนใหญ่ก็ไปจบเป็นสัตว์ในชาติกับเขาเนี่ยทั้ง ไม่นักหนาจริงๆเหนื่อยไปเกิดเป็นตระเตร็ดตระอยู่กับลูกกับลานอยู่กับครอบครัวอีเยอะะจะเป็นติกจบติกต๊กตัทุกแก่เห็นสามีก็เห็นผีเมียเออเห็นผัวก็เห็นผี เ, เออมียเห็นเมียมาแคเห็นผีผัวเดินตามต่อยเว่าทุกข์ไมทุกข์ไม่พอเนะี่ยมีชีวิตอยู่เกาะเกี่ยวกับไม่พอทุกข์ไม่พอเลนะเรอเดี๋ยวเมียเข้าไปมีผัวใหม่ผัวไปมีเมียใหม่แล้วจะเป็นยังไงเนี่ยในโลกของผีมันจะทุกแสนสาหัสเลยเนี่ย เกาเกี่ยวผัวฟันเห็นเขาก็เห็นผัวก็ต้องเห็นผีเมียเห็นเมียก็ต้องเห็นผีผัวแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปแต่งงานใหม่เพราะว่าเราตายแล้วนี่แล้วสมบัติศาสนของเราก็ไม่ได้เป็นของเราอะเราตายแล้วสมบัติกับสมัติชุมก็ไปเป็นของผัวคนใหม่ของเมียคนใหม่มันก็จะทุกข์หลายต่อคือทุกถูกแย่งเมียไปถูกแย่งผัวไปทุกถูกแย่งสมบัติไปของกูของกูมึงเอากูไปของกูของกูน้อยมันก็จะทุกข์หนักอาหาหัสเลยเลยเนี่ยเนี่ยความทุกข์อันนี้นะ ไม่ใช่ทุกเพรายึดกันแค่ในนี้นะเราเห็นเจ็บยาบเนี่ยทุกเพรายึดกันในปัจจุบันเนี่ยแต่ตายแล้วทุกหน้าสาระหางกว่านี่เนี่ยไอ้โจมเนียมันเดินมาที่บ้านเราหัวกตามมาพอคนหัวมาที่บ้านเนี่ยก็ตามมาผีเนี่ยตามมาไอ้ยตามแต่ไหก็ความยึดกันเนี่ยอำนาจในความยึดมันตามกันไปทุกที่มันตามัะไรอ่ะมันฆาตแห่งการยึดมันตามกัไปทุกที่เรามันเล็ดในใจโอ้โหมันอยด่ตอนอยู่ที่กรรมมันทุกข์มากตายแล้วมันยึดกันเนี่ย พอตัวเองตายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหัวใหม่ที่เพียบไปส่วนบัติของตัวเองก็ถือว่าครอบครองไปโอโหมันทุกต้องตอนที่ถูกแยกแล้วหัวแยกไปแล้วทุกตอนสมบัติจะถูกแยกไปอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งเราต้องขอพรวันนาว่าผีตัวนั้นต้องไม่ใช่เราเราต้องวาว่าต้อผีตัวนั้น่ต้องไม่ใช่เรา เราตัดเราตัดนกระดาษนี้ปล่อยผีตัวนั้นเป็นเาแย่เลยะเนี่ยมาสำรวจนะเดยคืมาสำรวจดูว่ามันกั่วไหมห่วใหญ่สังขารร่างกายไม่กัวมันตายก่วมันแก่กัวเจ็บมันตายกังวลกับโรคะไรแเจ็บที่เป็นก่วไหมกั่วไหม่วไมยังยิดยึดมันถืงมั่นอะไรไหมกั่วมันไหมสังขารร่างกายแล้วมันจะเป็นยังก็เปลี่ยนไปใจเราไมนยึดแล้ว มันก็แตก erm แต่ไปตะขันห้าร่างรูปร่างร่ากายก็ดับไปจิตใจที่เป็นนามขันก็รู้สึกเมคิดอารมณ์ก็ดับไปในปัจจุบันเราไม่มีอะไรค้างอยู่ไม่มีอะไรในใจไม่เกาะเกี่ยวแม้แต่อาการของจิตอาการขงจิตมันจะดีไม่ดีเราไม่ได้สนใจไม่ได้ม่ได้เกาะเกี่ยวเพราจะต้องเอาคิดดีแล้วต้องปฏิเสธคิดไม่ดีมันจะดีไม่ดีเราไม่สนใจแล้วเราไม่เกาะเกี่ยวอย่างเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่ผูกพันอย่างเดียว มันอะไรไม่มีอะไรในใจเลยว่างเปล่าไปหมดทั้งหมดเนี่ยเอาอากาศไปแล้วนี่แน่มันว่างมันจะไปสร้างความรู้สึกว่างไร้เจตีไม่ได้อาอะไรออกไปจากใจเมั น, น, น็นละเลื่องละราวไปเลยผมตรวจดูเนี่ยนี่นี่ย ค, คือข้ามข้อที่พวกนะวนักล้วงจิตใต้สานึกในจิตวิญญาเนี่ยที่มันล้วงว่ามีอะไรข้ามในใจเราเนี่ยในตรงนี้นี่ยมันก็ล้วงเอาคำพุทธเจ้าเนี่ยมามาม า, มาเขียนเรียงๆเข้าไปเนี่ยพุก เพราะความไม่ทุกข์เพราะความไม่สมความไม่สมปรารถนาทุกข์เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจไม่ได้อยับใจเนี่ยทุกข์เพราะว่าทุกข์โศกเศร้าเสียใจขับแกนใจมีอะไรที่ทำให้ทุกข์โศกเศร้าเสียใจกับแกนใจน้าตาไหลหัวาจตาทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายคลิกเพราะความปวดเจ็บปวแก่ปวดเจ็บัวตายทุกข์เพราะความพันทาจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกมันมีอะไรพวกนี้มันค้างในใจเราไหย ความจริงอะคือหลักรู้เจ้านี่แหละอมเราจะใจเลาไดหมดทุกเกิสังาร่างกายกับอาการวิจิตที่มันดีไม่ดีอาการวิิตที่ดีก็ชอบอาการวิิตไม่ดีก็ดีรนผลักสายยทุกประมันอยู่กับอาการิจิตไม่เลิกหลามยทุกตัวดีอยูกกดจะหมดเลยหมดจากทุกที่ดีรนผลักสายเนี่ยมก็มีแค่นี้กาิบาตตรงตงเลยสมุตตมานะมีแค่นี้จริงๆแต่ว่านะ ทำได้แม่อืมไดีแค่นี้เองไม่พูดเนี่ยยึดทั้งหมดเลยพูดไปพูดบาสนุกแล้วยึดทั้งหมดเลย <T> เออไม่ปล่อยเลยทุกอย่างเนี่ยพูดบมดเนี่ยพูดเนี่ยเพื่อให้ปล่อยแล้วเพื่อให้ให้ไปเลือดแต่พูดไปเข้าไหร่เนี่ย <T> <S <S ยอมรับสารภาพมีทั้งหมดยึดทั้งหมด เวลาเวลาผมเนเวลามันมีเรื่องอะไรที่มันเครียดอะนะมาคิดเอาเรื่องอย่างที่ลตาว่าคามาของเรื่องอะไรสาอะไรที่ไมดีพอบางทีนั่งอยู่คนเดียวอยูนันนึกทัขึ้นมาเลยพอแวบขึ้นมาแอ้คิดคิดเร็จทักเ้าราก็เอาเอาอย่างอื่นเนี่ยที่เป็นดีๆเข้ามาแล้วมันก็ใช้รื่นตรงนี้ไปแต่ก็ต้ื่นนะพอเราเราเรานึกพอรนึกถึงนี่นึกคิดไม่ดีขึ้นมาอะไรสาอะไรเนี่ยเรื่อง ที่มันไม่ดีไม่ดีอ่หรือบางทีแกลงอะไรตองอย่างเงี้ยแหม่นี้มันไม่น่าจะทำไปเลยนะบางทีคือแจลงนะพอคิดๆอีกนึงนะคิดทำไมก็เอาเรื่องเินเรื่องที่ที่เรื่องดี่ะแจ้เข้ามาพอแามาร็จเรงนี้จะเฉลยไปก็คิดใจจะเป็นอย่างตอเอ้ยวิธีแก้ล้างล้ออกจากใจเนี่ยอย่าไปเอาเรื่องอื่นมากะอย่าไปเอาเรื่องอื่นมาก ให้มันเรื่องนั้นน่ะแน่เรื่องที่เราเนี่ยคอยฝันหรือคอยอยู่ๆก็มันแว บ, บขึ้นมาในใจเนี่ยแต่เราต้องหาวิธทางเนี่ยที่เราไม่สบายใจคือเราคิดแง่ลบเราคิดลบเราจะเปลี่ยนเราเอาเรื่องอื่นมาลบเพราะว่ามันมันลืมไปแต่จริงๆมันไม่ลืไมลไม่หม ด, ดในใจเราต้องหาทางคิดบวกให้ได้หาทางคิดบวกไอ้ตรงที่เราเนี่ย มันอยู่ในใจเราให้ได้ทายังไงมันเขี่ยหมดเอยไป ใ, ใจเราให้ได้อเอาเรื่องนั้นแหละต้องเปลี่ยนง่ยคิดให้ได้ที่เรื่องตรงนั้นเวลาที่มันจะเชื่อจะยืดเยื้ออะอ่ายจะยืดน ไ, ไ, ไปเรื่ออ่าเ อ, าเอาไม่ไมถ้าเราเนี่ยไอตอนที่มันเกิดคือมนในใจเราใจเราคิดหาแล้วเราก็แบบนั้นนหละเราก็จะไปคิดเร่องอื่นมาทาให้เราจบเกิดไปก่อนแล้วเปลี่ยนความใจเราไก่อนเออพอใจเราเป็นปกติแล้วเนี่ยเรารรู้แล้วว่าหนึ่งคือเรื่องนี้เราก็จบทึกไว้ก็ได้เออแล้วเราเก็ พอเราต้นใหม่แล้วเราก็เริ่มมาคิดหาทางคิดคิดบวกไม่คิดลบกับตรงนั้นหรือว่าเรายึดอยู่กับหาทางคิดทำยังไงให้เราไม่ยึดที่ก็เป็นหลักขอะเจ้าอยู่แล้วแต่ไอ้พวกที่ล้วจิตใจสําลึกหรือหน้าหยีวิญญาเวลาจะแก้เราจะ แ, แก้ที่ติดค้างในจิตแต่สมลึกว่ามันทําให้ป่วยไงไอ้ติดค้างเนี่ยคนล้ว่าไปจริงจริงแค่ทีเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เราป่วยเพราะออกมาจากใจได้ความเจ็บป่วยก็หายเมื่อีเนี่ยวบางที่วามเจ็บป่วยไม่ทราบราเหตุแต่ไอติดคือติดที่ค้างในใจน่ะ เพรที่าิธีฆ่าในใจออกได้หมดมันก็หายป่วยนี่แหละพระอาราันต์ก็เลยสามารถที่จะต่ อ, อยุได้เพราะว่ามันเราพิ่งที่ฆ้าในใจออกไปได้เนี่ยพิงธีค้าในใจมนะันทำให้เจ็บป่วยมันในหายไม่เจ็บต้องออกไม่ได้หมดเลยหายเจ็บป่วยได้อรหันต์ท่านเราเป็นป่วยเป็นมะเร็งอะไรท่นก็อยู่กับมันได้แต่าอยู่ยืนแล้วก็จะตายเป็นเวลาที่ควรแล้วก็อยู่กับมันได้ถ้าอาตก็เป็นมะเร็งกัตั้งเยอะแยะแล้วก็อยู่กับมันใน่างแปดสิบเก้าสิบอยู่กับมัน ก็อยู่ปมาได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่าคาในใจใจท่านบริสุทแล้วอยู่ประมาณได้แล้นเวลาเขาจะร่วงต่ อ, อจากใจแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าเรามีอังจิตคาในใจคือตอนนั้นเน่ะเราไม่ได้เหมือนอย่างที่เนี่ยพอ่อฟอบอกว่าตอนนั้นเราเป็นแร็คมาเราเกิดอารมณ์แล้วลลเราอว่วาไม่สงบใจเรจริงๆต้องเปลี่ยนเรื่องไป ก, ก่อนเก็บต้ใจไปอย่างอื่นก่อนเพราะเราอยู่เป็นปกติแล้วเราก็กลับกลับเรา้เก็ บ, กบว่า ไอ้ตัวนี้มันคอจะมาเป็นหอกพิมพ์แทงใจเราเราต้องเปลี่ยนแง่คิดอย่างไงต้องหาอุบายในการคิดในใจเราลบสิ่งเหล่านี้หายไปจากใจเราเราคิดตกลงข้าพที่หลักก็คือต้องคิดตกันข้ามตับสิ่งที่เราคิดอยู่อนี่คือหลักไม่เจ้าเองหลักที่พระสิวิชาหรือหลักที่เขาล้วงเอาสิ่แต่ไม่ไปที่หลักในเจ้าเองอ่ะคืออะไรอย่างเช่นว่าเราหลงรักลูกมากหลงรักสามีมากหลงรักระยะมากหลงรักแฟนมากหลงรักคนรักมากเนี่ย เรารักเข้าอะไรเรารักในเพื่อหนังตังขาเขารักในรูปร่างเขาเราเลยต้องเอาที่พิจารกว่าถ้าเขาเป็นอย่างาาางี้เราจะรักไหมเขาเป็นนี้เขาปากเดี่ยวอาเก้มือหงิกเราจะรักไหมถ้าเขาเอ้เหนาเว๊กอย่างเงี้ยเราจะรักไหมเราเราจะรักไหมต้องคิดตรงกันท่าก็คือหลักอันเดียวกันเลยอย่าคิดตรงข้าวก็เนี้ยบ้าน บ้านดีๆนั่แท้อยงเนี้ยเราเออบ้านหลังนี้บ้านนี้สวยๆแต่ทําไมเออเขามาเช่าบ้านอยู่ตรงกันข้ามไม่เจอกไงเออบ้านที่มาเช่าอยู่ก็คูอบ้านหลังเก่าไม่ได้เขาบอกว่าสามีผูกคอตายในบ้านน่ะเขาเลยอยู่ไม่ได้กลัวมากรักกันตายจะดูดกินรักกันตายจะดูดกินพอสามีผูกคอตายอ่ะ ต้องย้ายบ้านหนีเลยกลัวอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้กลัวเห็นไหมเนี่ยมันรักกันยังไงก็ไม่รู้มันรักกันแบบว่ามันรักแบบหลงเนี่ยเอาความจริงเนี่ยไม่รักจริงเหรมันก็ตายบกก็ตายในบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบาหลังนั้นเลยต้องขายที่ก็มีคนซื้อก็เลยย้ายไปเช่าที่อื่นอยู่บ้านก็ไม่อยู่ไมอยู่ไม่ได้เนี่ยมันรักกันยังไงมันรักหลงในในลูกพัดภายนอกแต่มันไม่ได้คิดถึงว่าจะเข้าไปอย่างงี้ จะรักไหมถ้าเข้าไปอนี้จะรักไหม้ายนี้จะรักไหมฝากเปรียวขาเกตาเหลงรงไฟุกวัดเหตุสิงนเป็นอย่างเงี้ยจะรักไหมแล้วก็เราบบเพี้ยนาไปเนี่ยถึงขัานตายไปแล้วเน่าเปื่อยก็จะรักไหแล้วก็ผ่านมาเที่ยงไม้แก่เราจะรักไหมอะไรไม่เงี้ยก็เพี่นาเจ้าใ้ี่นนากลับตัมาเมันก็จะมันก็จะสิ้นไปมันก็จะสิ้นความหลงไปพอโวดแก่แกเกลือนข้างขาเขา หรือเจ้าให้คิดแง่มุมใดก็ได้ให้เมตตาเขาคิดจะทาเมตตาเพราะเป็โนโสดแค้นแก้นเกลือง ข, งข้า่กกง้าปูบเจี๊ยบมาพยาบาลเา อ, อย่างเงี้ยพรินนาไปหลายปีแล้วเนียโสดแค้นแก้เกืองคลังขาอยู่ในจิตใจเล็กน้อย แ, แต่เรื่องใหญ่ถึงเล็กอเล็กเล็กก็ต้องมาคิดต้อการฆ่ามันเมตตาเท่าไหรให้มันตน้อการฆ่ามันเมตตาเขามันก็จะดับไปสวดแค่ดับความไม่พ อ, อใจได้ไอ้ความพอใจก็พอใจสิ่งใดก็คิดปรินาให้มันไม่เที่ยนไม่เทียง ต้เปลี่ยนไปเราเปิดปูฟังจลายไปถ้าเขเป็นอย่างนี้เราจะรักไหมเป็นอย่างนี้จะรักไหมเนี่ยบางคนก็มีเมียหลายคนมีเมียหลายคนพอตัวเองป่วยเป็นอัมพาตทํางานไม่ได้ร่วมประเวณี้เขาไม่ได้แล้วอิจฉาล่างกายก็ยังแข็งแรงก็กลับไปหาเมียคนนี้เมียคนนี้ก็ไล่บอกให้อยู่ก็เมียหลวงอย่ามาก็กลับไปหาเมียคนนี้เมียคนนี้ก็ไล่ให้กลับไปอยู่ก็เมียหลวงอย่ามา ไปอาเมียหลวไปลก็ให้อยูกันเนอยอย่างนั้นไล่ไปไล่มาสุดทีนี่ยมันเนี่ยะเจ้าสอนคิดเนาอเี้ยมุมงเงี้ยเนี่ยมุมเนี่ยพอเขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยจะรักเราไเราเป็นอย่างเงี้ยจะุ่มหลงเราไมถ้ารเปลี่ยนไปองงี้ยเขจะรุ่มหลงเราไหจะุ่มหลงเราไหมเราพิจาาทั้งแง่ตัวเราและแง่ตัวเขาตเรากายเป็เป็นอย่างี้ยเจะรุ่มหลงเราไมเขุ่มหลงเราเนี่ย พอผัวกคอตายอยู่ว่านไม่ได้แล้วบ้านใหญ่โตต้องขายทิ้งขายก็มีคนซื้อมีคนตกคอตายในชาวบ้านอยู่เล็กๆก็ต้องก็ต้องอยู่อยู่ไม่ได้เข้นห้องน้ำกเข้าไม่ได้เลยบอกเลยขณะเข้าห้องน้ำเข้าไม่ได้เลยกลัวมากเลยพราะว่าสามีปตกคอตายใน้องน้ํำกลัวมากเลยอะอยใหญ่ไหความรักกันรักยังไงก็ไม่ทราบพอตายพวกอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยกลัวแสงส า, สาหัสเลยกัว เนี่ยมันหลงก็คิดแต่ในแง่ด้านเดียวรู้จักจิตไหมให้คิดตรกันข้ามคิดตรกันไอ่น่าจะน่ากินพยายาก็แก้นั้นเอาเอาคํำรูเจักมาแก้คิดคิดตรกันข้ามคิดตรงกันข้าุหลงมาหลายตัคิดตรกันข้ามโดทั่งไอ้สิ่งที่เราอยู่ในใจเราเนี่ยอยู่ๆก็คิดขึ้นมาอยู่ๆก็ได้ขึ้นมาอยู่ๆก็ฝันขึ้นมาเนี่ยให้เราไม่สบายใจได้หรืออยู่ๆเราก็ไปคิดถึงเขาเพอรักเอาหวนเขาก็วนเขาเนี่ไอเนี่ยแสดงว่ามันยั้ามในใจต้องออกไปนะโ้องคิดยังไงก็ได้ถ้ามันออกไปจากใจเราไได้ ออกไปออกไปนต่ว่าเอกไปโดนใจใจแล้วก็เลยว่างเปล่าเปล่าสบายเหมือนางอากาศตายแล้วก็ไม่ีที่ไปแล้วพราว่ามันติดที่เกาะเขียวเขจะไปไหนมันไ่เคยไที่ไหนแล้วกองที่เกาะเกาะเขียวที่ไหนจะไอยู่นิ่งๆฏิบัตินิ่งๆเฉยๆนิ่งๆแฉเฉยไม่ของวม่จริงอะจะแตกเ้ากันร้องไห้รับตาว่างเปล่ากทุกคนน่ยเออดเฉพาะผหญิงไงของเขาสาวเขาเนี่ยก็ฏิบัติกวกเกลือ อ๋ออยู่บ้านก็เอามากดเกลือดสามีทาให้เราสบายใจน้อใจเราลงมากดเกลือดเอาหนังเอาละครเอาไป้อปปิ้งแต่งตัวที่สวยกดเกลือดคุยเรื่องนี้ในในแชทในไลน์ในเฟซบุ๊กคุยถ้าไม่นั่นเรืนี่กดเกลือดพราะเปฏิบัติธรรมก็สบายใจก็เอามากบเกลือดเอานั่งนิ่งนใจนิ่งนใจว่างว่าใจโลภเบาสบายใจสงบเดยิบไปยิบมานั่งเดินนั่งยิบไปยิบมากดเกลือ เขาไปแตกเข้าร้องไห้ตาไหลแต่ละคนเด๋ยวไปกบเกลื่อนในข้างเอาตำรวจดูมาแจ้งตัวเองแล้วก็เอามันออกไปหมดโดยชื่อนาต้องกันข้าวมันหายไปใจใจ้งเลยว่าเป่าไม่มีทไปไม่มีที่เกาะเกี่ยวมันต้อมีที่เกิดไม่มีที่ทุกข์นะาจที่เกาะเกี่ยวก็ไม่ไม่มีไม่มีที่จะทุกไม่มีที่จะเกิดไม่ยากเลยอือ ไม่ยากยากไหม <c oughs> คำสองพี่เจ้าไม่ได้สลับกับซ้อนอะไรก็ได้สลับกับซ้อนอะไรหรอกมันก็ตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยแค่นี้เองนี่แหละคำสองเจ้าไม่ได้สลับกับซ้อนอะไรเลย <c oughs> แต่เขาไปสร้างรูปแบบแมาเจื่อสลับกับซ้อนโดยจะได้ไอ้รูปแบบแต่ละที่จะจำแนกแต่และ ว, วัต ไปสร้างมามันมาฟังมาความาฟังความรูในใจหมดตัวมันเอารูปแบบไปติดรูปแบบกันหมดอ่ะแล้วก็เอารูปแบบเนี่ยมาสลองกันแต่ละที่แต่ลนั่งเอารูปแบบมาสลองกันเอากรรมวิธีมาสลองกันแต่มันไม่ได้เอาความทุกข์ออกจากใจมันไม่ได้สำรวจใจตัวเองมันจะเอาแต่รูปแบบเอาแต่ความรู้มันที่ไปเรียนเอาความรู้ที่เฉยแต่ได้แต่รู้ <Bacon> รู้เป็นปัญญานอกแต่มันไม่ได้เป็นความรู้สัญญาในที่จะปัญญาที่ออกจากทุกข์ออกจา ก, กใจเรียนจเนไปเรียนไปเรียนไเรียนไเรียนปเรียนไปเรียนกปเรียนไรีเรียนเรียนเรียนไปเรนเรปเรีนเรีนไปเรเรียนเรียนเรปเรียนไปเรียนไปเ่อยนรีนเรียนไเรียนไียนไปเรียนไปยนไนไปเรียนไป <c oughs> เรีไรียนไปเรนเียนีย น, นไย น, น, น, น, น, น, นไเรนนไปนไรเีไเนเีเรีนนเยนนเไรไีไร ไอ้เนี่ยโดของโดนของเนีนะเวยเป็นระดับระดับสูงที่สุดเลยอะบองโดนของเนี่เนี่ยเราเไม่เห็นจะโดนของโดนเครงอะไรจิดตัวเองหลอกตัวเองโดของมาสบายแล้วมาสบายเนี่ยมาสบายตัวมาบายใจอีกละโดนของก็ใส่ไดอีกละเลยเนี่ยดูไม่เมีอะไรเหรอก็ยังุกใจก็จบายใจเนี่ยโอยไอเียนมาปัญานอกช่วตัวเองปัญญาเปัญญาที่เรียนมาทั้งหมด มเอามาแก้ความทุกข์ในใจเรานี่แหละเดี๋ยเรีนค้างในใจออกให้หมดเนี่ยปัญญาที่เรียนทั้งหมดเป็เรียนวัเรียนเรียนวิชาธรรเรียนพุทธศาสตาสนาที่เปด็อกเตอร์มันก็เพื่อมาแก้ความทุกข์ในใจเรานี่นะไอ้ที่ทัานตังท่านฟังธรรมทั้งหมดเนี่ยมาฟังกันมาขยันฟังกันเนี่ยก็เพื่อเอามาแก้เอามาล้างสิ่งที่มันค้างในใจเราออกให้หมดก็ไม่มีค้างอะไรในใจมันก็ไม่มีทุกข์หรอกเราก็ต้องเพื่อมาเนี่ยปัญญาที่เราฟังมาทั้งหมดแต่ก็เพื่อว่า ให้เอามาสำรวจดว่าม ja. so ีอะไรค้างในใจเราถ้ามีอะไรค้างในใจทุกมีแล้วขอขอบคุณพระผู้ปกองนะเจรเจเิมันจะทุกมันจะทุกด้วยเจรลญรุ่เืองด้วย ว่าสีดูใกล้เลยเราเดียวนี้เก็บได้เออแต่ยังไม่ไกลนาะแบบนี้ h ะอ๋อต้องกลักเที่ยวใช้ว อย่าไปแซวเขาเราก็ม <laughs> <c oughs> yeah, ีหัวพวกเราต้องสะวมได้ดเลยนะ หีายห่วงเยอะกะโนเลนี่อ้หมอเฟิร์นี่ลูกก็ไม่มีผมมีหลายห่วงคระบแต่ลูกก็ไม่มีนั้นหรอกมีหลาห่วงผู้หญิงเนี่ยถ้ามีลูกแล้วหมดเลยหมดเลือดในอกตัดไม่ขาดตายอย่างเดียวตัดไม่ขาดด้วยหมมีลูกแล้วหมดสิดที่จะ็กคนพูดเลย ตัไม่ขาดเลือดในอกตัไม่ขาดต่ยังไงกัดไม่ขา ด, ด, ขา ด, ด, ขาดผู้ชายมีลูกอย่างทนทุกได้หลวงปู่แับเนี่ยมีลูกโตแล้วรู้จักกันเราเลยลู ก, กลเป็นพระก็คนทุกข์ลุเขายอมรับกับท่านเปนลูลาหลวงปู่ศรีมหาวีโรนี่ก็เห็ุเพราะเป็นลูกลานนะหลว ง, ป, ลงปู่คำตันก็่า หมาองค์ก็รู้อรหันต์ได้มีลูกมีครอบครัวแล้วก็สละออกมาก็รู้อรหันต์นะไมาองแต่ผู้หญิงไม่ได้เลยผู้หญิงก็ามีลูกแล้วหมดหมดทิพย์เลื้อในอกตัดไม่ขาดเนื้อในอกขนาดไม่มียังตัดไม่ขาดนะตัดแล้วไม่ขาดเนาะถ้ามีลูกแล้วคงไม่มมเป็นเรื่องเลยลาว <c oughs> ก็คอยเด่ยวล้างเลยเอ๋หลวงปู่สมัยท่านบอกว่าปุ่นสาษีเหมือนจะขาดแต่ จ, จริงๆไม่ขาดรู้จักคุณนสารุสีไหมเคยได้ยินไหมปุ่นสาษุสีอ่ะก็บอกว่าสาษีเนี่ยเลี้ยงลิงกับปริงไว้แต่มันมีฤทธิปมากเขาเรียกปุ่นสารุสีเป็นปริงเป็นปริงตัวใหญ่เออเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงของฤุสี ลูกษยก็เลี้ยงเลี้ยงไอ้ปึงไว้ตัวหนึ่งไงเป็นปิ้งอะ่ะจะไปปิ้ตัวใหญ่ใหญ่อยู่ในบ่อน้ําี่ลูกศษยถ้าจะไปสุราชัากเลยบอกว่าไอ้บอกให้ลิง่ะในทุกที่อะ่ะเองไม่เล่นได้หมดเลยยกเล่นแต่ในบ่อน้ำห้าไปเล่นถ้าไปเล่นลูกศิษี์ก็กจะก็จะสำนักไปให้ลิงเนี่ยมันจะไม่เล่นแหลกไอทีู่กศิษีบอกว่าให้ไปเล่นในทุกที่มันจะไมเล่นในตบ่อน้ําที่ลูกศิษยห้ามไนะ้แหละ ก็รู้เหมือนคนจนอย่างเงี้ยไอ้ที่ห้ามจะไอ้ที่ห้ามเพราะามีอะไรเราสามมีฤิมาแล้วขานี้ริ้วสีหองได้จริงจริงหอได้มีธิมากเาจะสีสอไปก็เลยเอาเท้าแต่ก็กลัวกล้านะเอาเท้าไปแตะแตน้ำใหญ่ๆอยากจะไปทดลองแต่ก็กลัวกล้าไปแตะน้ำใหญ่ๆให่ๆตะแตะน้าพอเท้าไปแตะน้าเนี่ย ไอ้ปุ่นจารุสีกเมื่อปุ่นจารุสีไอ้ลิปต้นตัวใหญ่ๆอ่ะในน้ำก็ดูฝาเท้าลิปติดคือฝาเท้าลิปติดหนักเลยดึงมันแกะออกแกะเอ้แกะไม่ออกเพราะว่าอะไรปุ่นจาลุสีมันก็มีลิปถ้มันดูดเนี่มันก็สติดเลยแกะไงก็แกะไม่ออกลิงมันก็เลยเหาะเหาะไปเหาะไปยืดไปพอหมดแรงอ่ะ อระเด้กดึงกลับมาจมหิ้นน้ <c oughs> มันไม่ขาดมันเป็นยาหนังสติ๊ก <c oughs> <c oughs> เต้นกลับลิงก็บอกบว่าเรื่องเล็กหอะไปพันต้นไม้าหมันแรงเนี่ยกลับกับกลับกลับไปพุ๊บนั่งจมพุ้งที่สานน้ำนี่ลิงก็บอกเรื่องเล็กอัวนี้หอกไกลเลยหอะไปผัานภูเขาแต่หอกไปผ่นภูเขาอะ ทานกี่รอบกี่ร อ, รอรบผมปวดแรงอ่ะมันก็ดีกลับมันเป็นยาหนักสติกอะมันไม่ขาดก็ดีกลับเด้งดึกลับไปจมอยู่ในในจ่าน้ำเนี่ยทำอย่างไรก็ไม่ขาดนี่เนี่ยความรักความห่วงใยความผูกพันเหมือนคุณจละศรีเนี่ยทำอย่างไรก็ไม่ขาดบอกว่ามาปฏิบัติทำแหละถึงเวลาก็มันจะเด้งกลับบ้านแล้วเออมันก็เด้งกลับบ้านท่านบอกว่า มันไม่ได้ขาจริงหรอกันเป็นปึงตลูสีมันมาชั่วข้าวเขาก็เรียกกลับปึงตลูสีไั้นค่นอย่าที่ว่าเพว่าถ้งหมดห่วงมันเราก็จบหมดหวงก็หมดทุกัตแล้ว จริงๆแล้วความรู้ตอนที่วัววัวมันไม่มีอะไรมาค้างในใจวัวแต่คนไม่มีววก็จะไม่เอาหัวก็มี